รุ่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนํารายการธรรมราบารุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะเราออกอากาศนะคะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครด้วยขนาดคลื่นเอฟเอ็ m เก้เมกะเฮิร์ส์เอ็มก็แปดกิโลเฮิร์ส์นะคะนอกจากนั้นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค อีกเกือบจะทุกจังหวัดนะคะก็ยังรับสัญญาณรายการธรรมาระบรุนด้วยซึ่งเราก็นำธรรมะดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อความสบายอกสบายใจและก็เป็นมงคล ในทุกๆเช้าที่ท่านตื่นมานะคะแต่สําหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีว่าดิฉันเองก็จะได้รับเกียรติที่จะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะในการที่จะสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนหรือที่เราเรียกกันว่าสากัญชาน ะ, ะสำหรับการสนทนาในเช้าวันนี้เราพบกันนะคะท่านผู้ฟังคะเป็นเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วค่ะเสาร์ที่29ตุลาคม วันนี้เป็นวันขึ้นสามข้าเดือน12นะคะก็เป็นปีเถาะ อ, อยู่เหมือนเดิมนะคะก็คิดว่าคงจะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะขอหยิบยกมาสากักฉากับพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนค่ะ ซึ่ท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพ ร, ระฤาษีคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภโซท่านจอวาวาดวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้มสักการพระอาจารย์ไพรวลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขะเชิญพรดา<ะ>ดูเจ้าขาเราจะพูดถึงเรื่องสากขะฉานี่ก็ต้องย้ํากับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าไอการสาขะฉานี่คือหมายถึงการสนทนาต่อปัญหาอะไรกันเนี่ยนะ เป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยคุณตนใจที่จะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้น น, นอกจากการที่ฟังธรรมบ่อยๆการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมการใคร่ครวนธรรมความเพียรแรงต่างหนึ่งในนั้นคือการสาาักษาแล้วเราจึงจัดให้มีการทำอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเอาอะไรมาสักษากันเอ่ย โยมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทอดกระถินดีไหมเจ้าคะ oh, เพราะตอนนี้ <okay. S 2> หลังจากที่วันปรวรณาออกพรรษากันแล้วเนี่ยโยมทราบว่าจะมีช่วงเวลาเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากที่ออกพรรษาแล้วที่จะมีการทอดกระถินกันเจ้าคะก็อยากจะกราบขอให้พระจันทร์ไปบุญอภิปุนโนได้เมตตาที่จะสากษาเกี่ยวกับ พิธีการทอดกรถิ่นเนี่ยเจ้าค่ะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วก็สิ่งที่ทําได้ถูกต้องนั้นเนี่ยต้องพุทธศาสนิกชนต้องดําเนินการอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรื่องกรถิ่นนี่ก็คือว่ามีต้นบัญญัติมาจากสมัยนั้นเนี่ยมีภิกษุที่เขาต้องการจะมาหาพบพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็คือเป็นท้ายฤดูฝนใหม่ ก็ดินเดินอะไรมันก็ยังเปียกเละอยู่อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าพอ เ, าเวลาเดินทางมาเนี่ยมันก็ทําให้จีวอนเปื้อนเลอะเทอะอะไรไปหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นก็เป็นภิกษุผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดคือเอาผ้าเก่าๆมาใช้มันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ผืนนะมีแค่สามผืนแล้วก็ทําให้การมาในครั้งนั้นเนี่ยค่อนข้างทุลักทุเลมากเนื่องจากผ้ามันเลอะไปหมด <Okay. S 1> ก็เลยอนุญาตให้มีการรับผ้า นะในช่วงเวลาหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะเป็นเ ว, เ, เวลาที่ถ้าใครต้องการจะมาถวายผ้าให้ภิกษุเนี่อรับได้พอรับมาแล้วก็ตัดเย็บย้อมให้นะให้เสร็จภายในวันนั้นเราก็ถวายแก่บุคคลผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่าที่สุดในอาวาสนั้นเพราะฉะนั้นาการรับผ้ากระินเนี่ยก็จะต้องเป็นอาวาส าอาว่านนี่หมายถึงพื้นที่อยู่ในบริเวณนี้สมมุติวัดนี้นะมีเขตวัดนี้ตั้งแต่กำแพงวัดด้านตะวันตกถึงกำแพงวัดด้านตะวันออกแนวป่าตรง น, นี้อ้าภิกษุไหนอยู่ในโซนนี้นะอยู่ในบริเวณนี้นะคุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับผ้าผืนนี้นที่ภิกษุทั้งหลายนร่วมกันทำเอาวัตถุดิบ ม, มาจากไหนก็ต้องเอาขอรบวาเขาเอามาให้เอามาให้เสร็จแล้วเราร่วมกันทํามอบให้กับ ภิกษุผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่ม า, มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดเรื่องของกถินเนี่ยมันก็จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคารวาสครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของพระครึ่งหนึ่งนะคือคารวาสต้องเอาวัตถุดิบมาให้พนะระก็ต้องเป็นผู้ที่ช่วยกันนะทําโครงการนี้จัดทําคนนี้คือมันไม่ใช่งานง่ายๆนะคุณ เ, เตือนใ จ, จคนหนึ่งต้งไปตัดนะตัดผ้าเป็นแนวเป็นมนทนอนุมนท น, เ ป, น, น, น, ทนเป็นอนุวาดเป็น ขันใหญ่ขันเล็กอะไรต่างๆแล้วก็มาเย็บรวมกันย้อมตากย้อมตากสัก2 3รอบนะเราก็ถึงจะทําออกมาเป็นเศษเป็นเป็นรูปเป็นร่างได้ทีนี้เรื่องนี้มันก็มีเวลาให้ทำนะคือเขาเรียกว่าจีวราการคือการที่ทำจีวรนะในช่วงเวลาตรงนี้รพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้มี1เดือนนะคือช่วงระหว่างวันออกพรรษาถึงวันลอยกระทงบ้างเถอะ ในช่วงออกพรรษาไปแล้วมีเวลา1เดือนในการที่จะรับผ้ากถินนี้ได้ตรงนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือสําหรับพระสงฆ์เราเนี่นะพระที่ดีเนี่ยก็จะไม่ได้เห็นเรื่องปัจจัย4ี่ลาปัจจัยใดเป็นเรื่องสําคัญนะมากไปกว่าเรื่องของจิตใจหมายความว่าถ้าเราจะต้องมาเดือดร้อนขวนขวายในการที่จะ <c oughs> ทํายังไงให้ได้ภากถินหรือว่าองค์บริวารกถิญเนี่ยแล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยมันก็ เป็นเรื่องที่สําคัญน้อยกว่านะการที่จิตใจคนดีเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าอย่างบางวัดหลายๆวัดนะคุณจะเจอขาไม่มีกรถินนะถึงแม้พระเขาขจะมีหลายรูปก็ตามจตนะ่อย่างวัดป่าในอุดอรธานีหรือว่าทางเหนือก็มีนะวัดที่เขามีพระสามสิบสี่สิบรูปนะแต่ไม่รับกระถินนะเพราะว่ามันจะต้องมายุ่งยากในการเตรียมการพระสงฆ์งต่างๆก็คือพอออกพรรษาแล้วท่านก็ต้องการจะไปภาวนาหลิกเล็งหีล เ, ลลเล้นวิเวกอยู่อย่างเงี้ยนะ ก็จะต้องมารอกรถินอีกมันก็จะไม่ใช่การแบบเจ้าวาด บ, บางรูปก็จะมีนโยบายว่าไม่รับกรถิน่นอย่างนี้เป็นต้นก็มีทําได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะโอทําได้อือเจ้าค่ะคือหมายความว่าบางพิสูจน์บางรูปเนี่ยยินดีในการ ย, ยินดีในจีวรนเก่าในยินดีในจีวรมือสองยินดีในจีวรที่ ค, คร่าอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่รับผ้ากรถิ่นอยู่ดีได้มาท่านก็ไม่ใช้สละออกอือาเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็มีวิสูุ์เพศนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะไม่รับมันก็ยินดีในจิตที่ในการวิเวกหรีกร้ น, น ย, ยิ่งยิ่งจะดีกว่าอีกอเพราะฉะนั้นก็ตามเหตุปัจจัยมาว่าถ้าคาลิขัดผู้ใดที่จิตเป็นกุศลแล้วต้องการจะถวายทานในช่วงเวลานี้ก็สามารถทำได้านะการถวายทานก็ให้เหตุปัจจัยเหมาะสมนะหมายความว่าปัจจัยที่เรา ได้มาเนี่ยปัจจัยนี่หมายถึงปัจจัย4ี่นะเอ่อใกล้มาอย่างเป็นธรรมใช่ไหมทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้นะให้ไปแล้วก็ไม่มานึกเสียดายแล้วก็ทำอย่างถูกต้องตามทําวินยัยนะไม่ด่ากาันไม่ว่าการกมีการเตรียมการมาอย่างทุกคนมีความสุขอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะจุคแล้วก็คืออย่างสำนักสำนัพระเนี่ยนะถ้าไม่ได้ภ้ากรถิ่นเนี่ยไม่มีปัญหาเลย ไอ้ที่นุ่งห่มอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็เพียงแค่ว่าถ้าได้มาแล้วจะยังไงก็จะพิจารณาเปลี่ยนหรือไม่ก็เท่านั้นเองถ้าไม่มีแล้วทาไงก็ใช้ของเก่าไปก็ได้ไหมถูกค่ะแล้วพระเราก็ค่อนข้างกินง่ายอยู่ง่ายเนาะกินง่ายอยู่ง่ายเ อ, อมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราต้องเป็นการฝึกความอดทนด้วยแหละอในในกรณีนี้ก็คงต้องดูเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆให้มันถูกต้องก็แล้วกัน เจ้า<น>ค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เริ่มกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะเ<ช>จ้าค่ะจนรทัง<ช>บัดนี้เนี่ยก็บรรดาพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเรานเจ้คาคะก็ถือเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียมประเพณีกันแล้วล่ะว่าหลังจากที่ออกพรรษาแล้วเนี่ยก็ตามวัดต่างๆก็จะมีเจ้าภาพไปจอง กรถินนะเจ้าคะพราะเชื่อกันว่าหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพหรือว่าได้มีส่วนร่วมในการทําบุญทอดกรถินแล้วเนี่ยก็จะนําสิริมงคลแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิตของเราอะเจ้าค่ะตรงนี้มีอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พบูรลว่าถ้าหากเราไปร่วมทําบุญทอดกรถินนะเจ้าคะก็จะทําให้เกิดบุญกุศลแน่นอนแต่นอกจากนั้นยังมีสิ่งที่จะ เกิดขึ้นจากการที่เรามีจิตศรัทธาไปทอดกระถินยังวัดต่างๆนี่อย่างไรอีกบ้างไหมเจ้าคะ่ะขอกราบนิมนต์เจ้าคะ่ะอย่างนี้งั้นคงต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าถ้าเราจะเชื่อว่าวกรถิญ น, นี่จะได้บุญเยอะเนี่ยนะอันนี้ต้องใช้หลักพุทธวจนะที่พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำถวายทานเนี่ยนะคือบุญเนี่ยมันเกิดจาก3ทางเป็ใจอันดับแรกเนี่ยคือการที่ให้ทาน นะคุณเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยเอาออกซะชันสละซะนะสิ่งนี้ชั้นสละออกสละออกตรงนี้เป็นบุญเกิดขึ้นในจิตใช่หหรืออย่างที่สองเราจะใช้กายของเราทำก็ได้คือในการรักษาศีลอย่างเราเห็นยุงตัวนี้มันบินมากวนยังไม่กัดเราหรอกตอีมันซะตกมันซะเอ อ, เ อ, อไม่ทำก็แล้วกันคิดว่ากรุณาเขาเข า, เขาเป็นสัตว์โลกเราไม่ทาแค่นี้จิตคุณมีบุญแล้วนะ นะมีบุญเกิดขึ้นนะนี่คือการสร้างบุญด้วยการรักษาศีลนะหรืออย่างที่สามคุณมีความคิดในใจที่ไม่ดีโอ้คิดดา่าคนนั้นคิดดา่าคนนี้คิดไม่ดีกับคนานั้นคิดปองร้ายโอ้ละออกละออ ก, ออกไม่เอานะละความคิดตรงนี้จิต เ, เป็นกุศลขึ้นมาเลยเป็นบุญขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นที่พระพรุทธเจ้าบอกว่าทานศีลภาวนาใช่ไหมเป็นทางมาแห่งบุญอันนี้ถูกต้องอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไวนะ้แล้วก็ถ้าทํางี้ได้บุญนะ ทีนี้บุญที่เราพูดถึงในการกระถินเนี่ยคือการด้วยการให้ทานเท่านั้นเองนะบุญที่เกิดจากการทำกระถิ่นเนี่ยคือการให้ทานเท่านั้นเองนะซึ่ง <จบ S 1> พระเจ้าเคยพูดไปแล้วว่าให้ทานเนี่ยมันก็จะมีผลมากผลน้อยตามระดับของเขาใช่ไหมทีนี้อย่างไรก็ตามก็ยังน้อยกว่าศีลศีลอย่างไงก็ตามก็ยังน้อยบุญน้อยกว่าการภาวนาเอาอย่างไรก็ตามเรามาพูดถึงเรื่องการให้ทานก่อนนะการให้ทานที่จะได้บุญมากเนี่ย มีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบกับน้ําทะเลคุณเตือนใจว่ามันจะมีน้ําทะเลที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยนะเอามารวมกันทั้งหมดเนี่ยมีกี่ลูกบาทเมตรอย่างตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยเขายังสามารถประมาณการได้นะว่ามีน้ำหมื่นลูกบาทเมตร800ล้านลูกบาทเมตรไหลลงมาน้ําทะเลคุณประมาณได้ไหมละ่ะมันไม่ได้เลยนะทะเลเนี่อรับหมด นะทะเลเนี่ยไม่มีคำ ว, วัดเต็มไม่มีคำ ว, วัดหลน่นยังไงมันก็รับหมดเพราะฉะนั้นบุญที่เกิดจากาการให้ทานมีครั้งหนึ่งพระชาะเปรียบเหมือนกับน้ําทะเลว่านี่ถ้าถ้าคุณถวายทานนะ ถ, ถวายทานนะบุญที่เกิดจากการให้เนี่ยนะถ้าจะต้องการให้มันมากเท่ากับน้ําทะเลที่ไม่สามารถวัดได้ว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยให้ทําอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคืออย่างไหนนะมีคุณสมบัติอยู่6อย่าง อย่างแรกก็คือว่า3อย่างแรกอยู่ที่ผู้ให้3อย่างที่2อยู่ที่ผู้รับนะดูปัจจัย3อย่างแรกก่อนคือของผู้ให้ผู้ให้เนี่ยสมมติเราจะถวายทานหรือให้ทานหรือว่าบริจาคสิ่งของหรือสักอย่างใดอย่างหนึ่งน ะ, ะการบริจาคสิ่งของเนี่ยถ้ามีเหตุปัจจัย3อย่างในจิตของเรานะคุณะได้ครึ่งหนึ่งละในะของการที่จะมีปัจจัยเรียกว่ามีได้บุญมาก นะสามอย่างแรกเนี่ยคือ1มีศรัทธาในการให้ก่อนให้ 2. มีศรัทธาระหว่างให้ 3. มีศรัทธาหลังให้คือให้ไปแล้วก็ไม่เสียดายแต่อันนี้คือปัจจัย3อย่างแรกของผู้ให้ผู้ให้ต้องมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ก่อนระหว่างและหลังต้องมีศรัทธาตลอดเดีนะ๋ยวจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดส่วนผู้รับละ่ะผู้รับเนี่ยต้องมีเหตุคุณสมบัติอีก3อย่างนะ ก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นผู้ที่ราคาหรือว่ากำลังปฏิบัติเพ like ื่อให้ราคากิเลสเนี่ยหมดไปนั่คือหมดราคาแล้วหรือว่าราคากิเลสเนี่ยกำลังจะหมดไปหรืออย่างที่2หมดโทสะกิเลสแล้วหรือว่ากำลังปฏิบัติเพื่อให้โทสะกิเลสเนี่ยหมดไปหรืออย่างที่3หมดโมหกิเลสแล้วหรือกำลังปฏิบัติเพื่อให้โมหกิเลสนั้นหมดไปนะาอย่างเนียจะเป็นคุณสมบัติของผู้รับที่จะ ทำให้การให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยได้บุญมหาศาลที่เรียกว่าน้ำทะเลกี่ลิกิ่ิตเนี่ยไม่สามารถวัดได้อันนี้ไม่มีเรื่องกระฎ<ช>ิะเลยอไม่มีบอกเลยว่าจำเป็นต้องถวายทานในช่วงเวลานี้เท่านั้นนะช่วงเวลาอื่นไม่ได้มันมันไม่ใช่ต่อให้คุณมาถวายทานในกระฎินนะแต่จิตไม่มีศรัทธาผู้รับนะเป็นภิกษุที่อ่ไม่ดีมันก็ได้บุญน้อยนะ แต่ถ้าเรา <Okay. S 1> ถาวายทานในช่วง11เดือนที่เหลือนั้นะแล้วก็ปรากฏว่าเรามีจิตศรัทธาก่อนระหว่างและหลังนะผู้รับเป็นผู้ที่หมดแล้วซึ่งราคะโทสะโมะถาวายตอนไหนมันได้บุญตอนนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราต้องการคิดว่า เ, เราจะทําถวายทานเนี่ยจุดประสงค์คือต้องการให้บุญได้บุญใช่ไหมงั้นคุณก็สร้างปัจจัยให้ถูกสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกจะเป็นช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นวินัยของพระเท่านั้นเองที่พ ร, ระเจ้ากําหนดเอาไว้ นะอย่างงานกรถิ่นเนี่ยเป็นการแค่การนัดหมายกันมาอย่างช่วง11เดือนที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการนัดหมายใช่ไหมว่าใครจะมาจากทุกสารทิศอะไรมันจะไม่ได้มารวมกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ามันจึงมีการนัดหมายการนัดหมายเนี่ยอาตมา ก, ก็มองว่ามันเป็นเหตุที่อาจจะทําให้เรามีจิตอนุโมทนาต่อคนอื่นได้อย่างเงี้ยนะอย่างสมมุติเราเถวายของสิ่งนี้นะอันสมควรแก่สมณเจริโภค <c oughs> ให้สมณะแล้วถ้าเรา ถาวายในช่วงเวลาอื่นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรกันบ้างแมมถ้าไม่รู้เราก็ไม่ได้อนุโมทนาเอาอย่างนั้นเลยเรามาอยู่ในช่วงนี้คนอื่นเขามากันเ ร, เราถาวายสิ่งนี้คนอื่นเขาถาวายสิ่งนู้นนะอันสมควรแก่สมณะเจบริโภคเราเห็นของเขาแล้วเราก็รู้สึกอนุโมทนาบุญเรายิ่งเพิ่มตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ที่ทําให้คน<ช>เขา<ช>นิยมไปด้วยกันนะนะคือไป<ช><ช>ร่วมอนุโมทนากันนะอ่ะเพราะนั้นไอ้ตัวบุญที่จะเกิดจาก สิ่งที่เราให้ทานไปเนี่ยก็อย่างเหตุปัจจัยหกอย่างอย่างที่บอกนะแต่การที่เราจะไปอนุโมทนาคนอื่นอันนี้จะเป็นส่วนเพิ่ ม, เ ต, มเติมที่เพิ่มขึ้นมาหรอกในการที่เราได้ไปพบเจอกันอย่างนี้นะแต่ถ้า<จ>ไปไปเจอกันแล้วด่ากันมากกันนี่ยิ่งได้บาปมานะีจะไม่ถูก <c oughs> เหตุ <c oughs> อ่าในลักษณะนี้นะที น, นี้ว่าถ้าเรื่องของกรถินก็ อ, อย่างที่ว่าแล้วก็ เป็นเวลาที่สําหรับพระมากกว่าที่จะต้องม า, อาคอยที่จะต้องทําจีวรแล้วก็สามัคคีกันสนับสนุนภิกษุรูปที่มีจีวารเก่าคร่ำคร่ า, า, า, า, านะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ได้เพิ่มเติมส่วนจะมีในพระวินัยที่พระเจ้าพูดถึงอา น, นิสงส์ของขนะองกฐินนะอานิสงส์ตรงเนี้ยที่บางคนบอกว่าได้อา น, นิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้จริงๆอา น, นิสงส์ที่เกิดขึ้นคือสําหรับพระตำแหน่ง ย่งพระภิกษุที่รับกรถิ่นแล้วเนี่ยนะจะสามารถไปไหนโดยไม่ต้องบอกลาได้นะจนกระทั่งถึงเดือนเมษานูนะ่ะไปอีกสเดือนจากนี้ไปอีกสเดือนนะก็จะถึงประมาณเดือนมีนาเมษานะไปไหนได้ไม่ต้องบอกลาอยู่ร่วงราตรีหนึ่งโดยไม่มีจีวรครบ3ามปืนก็ได้เป็นต้นอย่างเนะงี้ยนะอซึ่งนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยของสมรับพระเท่านั้นเองคราว่ายก็จะไม่ได้มีอนิสงส์ของกระถิน ในแง่ของทำในแง่ของตัวกถินเองนะแต่จะได้อนิสงของการให้ทานนี้มีแน่นอนแล้วก็ถ้าอาจจะมาทำร่วมกันเราประคองจิตของเราได้เราจะอนุโมทนาคนอื่นได้อ น, นี้ก็คุณก็สามารถทำได้เจ้าค่ะทนิยมสังเกตว่าสำหรับในช่วงทอดกรถินนี้นะเจ้าค่ะเราจะทราบว่าหลังจากวันออกพรรษาแล้วเนี่ยประมาณหนึ่งเดือน อย่างที่อาจารย์ได้ได้เรียนท่านฟังไปแล้วนะเจ้าคะาก็คือช่วงเวลาที่เราจะทอดกระถินแต่ว่าหลังจากนั้นนิยมก็เห็นว่าพุทธศาสนิกชนเราก็ยังมีการทอดผ้าป่านะเจ้าคะ อ, อันนี้นิยมอยากขอกราบถามว่า <S <S ทอดกระถินกับอทอดผ้าป่านี้ต่างกันอย่างไรเจ้าคะทั้งในด้านของการปฏิบัติแล้วก็ในแง่ของบุญกุศลที่จะได้รับด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือผ้าป่าเนี่ยมันเป็นคําที่ใช้กันใน ใหปัจจุบันนะถ้าเป็นศัพท์ของพุทธเจ้าจริงๆก็จะเป็นจีวรนอกกา ร, รการในที่นี้ก็คือกา ร, ล ะ, การละเวลาที่ให้ถวายจี <c oughs> รวรพุทธเจ้าพูดถึงในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยช่วงหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาจนถึงวันลอยกระทงเนี่ยเป็นจีวรการคือการที่ให้ถวายจีวรในช่วงนี้นะแต่ถ้านอกเหนือไปจากนั้นรับได้ไหมรับไดนะ้เป็นเรียกว่าจีวรนอกการล้วนะถามว่ามันต่างกันยังไง มันต่างกันตรงที่ว่าใน1เดือนนี้ภิกษุทั้งหลายคุณต้องมาช่วยกันทำแต่ที่เหลือนอกเหนือสิเอ็ดเดือนนะไม่ช่วยก็ได้คือไม่จําเป็นต้องอยู่มาช่วยกันทำแล้วไม่จําเป็นต้องเฉพาะเจาะจงในอาวาสนั้นคือแบบว่าสบายอิสระฟรีสไตล์ว่างันเถอะเพราะฉะนั้นเขาจึ ง, จงเรียกผ้าที่มาถวายภิกษุในช่วงนอกเวลาเนี้ยนะเรียกว่าจีวร น, นอกการนะปัจจุบันเนี้ยคนเขาเรียกว่าผ้าป่า คือผ้าที่ไม่ได้อยู่ในการคือผ้าป่าป่าผ้าแบบบังสกุลบ้าหามานอกเวลาอย่างนี้นะเราเรียกว่าผ้าป่าบังเถอแล้วเรื่องอันที่สงองของการให้ตรงนี้เหมือนกันไหมก็ต้อง6กอย่างอย่างที่ว่านะสอย่างแรกเป็นของผู้รับคุณ ค, ควบ ค, คุมจิตได้ไหมก่อนให้ระหว่างให้หลังให้มีศรัทธานะสอย่างที่สองคุณไปหาเนื้อนามบุญเจอไหมในะบุคคลที่มีราคาโทสะโมหะเนี่ยหมดแล้วหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อให้หมดราคะโทสะโมหะ ทีนี้เรื่องของไอศรัทธาตรงนี้มันเราควบคุมได้ไงคืออย่างกรณีของผู้รับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์ไหนหรือว่ามุลนิธินี้หรือว่าผู้ประสบภัยตรงนี้เข า, เามีราคาโทสะโมหะมากน้อยแค่ไหนเราไม่รู้นึกไหมเพียงแต่ว่าเราควบคุมปัจจัยที่เราควบคุมได้คือศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้นะก่อนให้เนี่ยถ้าคนที่เขามีศรัทธาเนี่ยเขาจะมีการเตรียมการ นะว่าทานที่จะเอามาถวายนี่ต้องเป็นของบริสุทธิ์นะบริสุทธิ์อย่างน้อยก็ไม่โกงเข้ามานะแล้วก็มีการเตรียมการอย่างดีมีการแพ็คอย่างเรียบร้อยนะถ้าใครจะไปช่วยก็น้ําท่วมอย่างเงี้ยนะคุณก็แพ็คให้มันเหมาะสมเนื่องจากว่าจิตใจเรามีความเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ใช่ไหมมีศรัทธาใช่ไหมก็องแพ็คให้มันใช้ได้อย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ใช่เอาของที่มันจะใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยไปให้อ่า อย่างของที่ไม่มีประโยชน์ให้ไปก็จะไม่มีประโยชน์ก็ให้ของที่มีประโยชน์อย่างนี้เป็นตน้นนี่คือมีศรัทธา ก, ก่อนให้ใช่ไหม <f> ระหว่างให้เป็นยังไงระหว่างให้ก็จิตเนี่ยน้อมไปเพื่อการให้ น, น้อมไปเพื่อการให้ก็คือว่าให้ด้วยมือตัวเองบ้างหรือว่ามีการเตรียมการให้บ้างไม่ได้ทําเพื่อหน้าตาบ้างแต่ทําให้เขาถึงได้รับอย่างใช้งานได้เลยอย่างนี้บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือศรัทธาของการ <Okay. S 1> ระหว่างให้ศรัทธาหลังจากให้เป็นยังไงก็คือว่า ไม่มา น, นึกเสียได้ในภายหลังโอ้ยฉันไม่น่าให้เลยให้หมอนี่ไปมันทิ้งทิ้งกล้องคว่างอย่าไปคิดอย่างนั้นนะให้พอเขารับไปแล้วคือเราได้บุญเต็มแล้วเขาจะใช้หรือไม่ใช้อย่างถว า, ายทานในประสงค์อย่างเงี้ยเอาบิณาบาตไปใส่อุ้ยท่านไม่กินเลยท่านไม่ฉันให้เลยโอ้ยฉันจะได้บุญไหมเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยเหนืหอไหมมันอยู่ที่เราเอาให้ไปแล้วถ้าเราจิตคิดว่าโอท่านไม่กินเราจะไม่ได้บุญถู ก, ถ ก, ถกคุณจะไม่ได้บุญเต็มเพราะว่าคุณศรัทธาตกแล้วหลังให้ แต่ถ้าเรามาคิดว่าเออท่านจะฉันหรือไม่ฉันเขาจะเอาไปจะใช้หรือไม่ใช้ฉันได้บุญเต็มละฉันมีความมั่นใจในในการให้ทานของฉันแค่นี้แหละคุณจะได้บุญเต็มไม่ต้องมากังวลเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเราควบคุมจิตของเราตรงนี้ให้เป็นผ้าป่าผ้าเมืองผ้าจีวรการนอกการได้บุญเหมือนกันหมดจนะให้ใครให้ขนาดว่าเอาให้คนทุศีให้ขอทานก็ยังเป็นทางหม า, างบุญ เสียไหนเลยจะให้กับสมณะที่เพียนเผาเกิเลสให้หมดอย่างนี้ยิ่งได้บุญมากเจ้าค่ะนะก็เรียกว่าอยู่ที่จิตของเราโดยแท้จริงเลยนะเจ้าค่ะ ใ, ในการที่จะตั้งมั่นว่าเราจะต้องมีศรัทธาประสาธะก็คือว่ามีความตั้งใจจริงที่อยากจะถวายทานอันนั้นหรือถวายผ้าพระกฐินหรือผ้าป่าก็ตามนะเจ้าค่ะคือก่อนแล้วก็ระหว่างที่จะ ระหว่างที่ทอดถวายจริงๆกับหลังจากนั้นก็ยังมีจิตใจที่อนุโมทนาบุญคือไม่ไ ม, ไมินึกเสียดายว่าแหมไม่ไม่น่าให้ไปเลยอะไรย่างนี้นะเจ้าคะ <S <S อ, อันนั้นถือว่าเราได้บุญเรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะคแต่สิ่งหนึ่งเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาสักฉามาก็คือเรื่องของการที่ว่าเหมือนกับถ้าเรายิ่งได้เรามีศรัทธาใช่ไหมเจ้าคะก่อนหน้านั้นแล้วก็ในระหว่างถวาย รวมทั้งหลังถวายแล้วเราก็ไม่ได้เสียดายเราก็ยังอนุโมทนาบุญแต่ถ้าเราได้ให้กับพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอริยสงฆ์นี้ก็เรียกว่าจะเป็นเนื้อนาบุญที่ที่ดีที่สุดถูกไหมเจ้าคะใช่ใเจ้าคะ่ะประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องอพุทธศาสนิกชนเราก็น่าจะพึงสังวรไว้นะเจ้าคะ่ะในการที่จะทําบุญอะไรต่างๆนั้นเนี่ยถ้าหากเราได้พบเจอ ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็คิดว่าเป็นบุญของเราที่จะได้กราบเป็นขอเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะคะ่ะพระอาจารย์เจ้าขาเรายังมีเวลาเหลืออยู่ประมาณห้านาทีในเช้าวันเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้นะเจ้า<ช>คะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ฝากแง่คิดให้ท่านผู้ฟังทางบ้านกันนิดนึงเถอดเจ้าขาเพราะว่าขณะนี้ปัญหาอุทกภัยในบ้านเรานี่ก็แม้ว่าจะ ซาลงแล้วนะเจ้าคะแต่ก็ยังยังอยู่ในช่วงที่ยังต้องบางบางท้นก็หรือบางสถานที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็น ห, หลายเดือนมาแล้วนะเจ้าคะออาขอขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ให้กำลังใจบรรดารท่านผู้ฟังที่ประจนอุทกภัยมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วเจ้าคะ่ะเป็นการฝากท้ายรายการวันนี้เจ้าคะ่ะก็พูดถึงเรื่องทานนี่แหละมันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ว่าอย่างสมมติเราจะ มีทรัพย์ปัจจัยนะที่ว่าจะไปถวายเนี่ยเราต้องแบ่งใจ่ายให้ถูกแบ่งใจ่ายให้ถูกในกรณีนี้คือว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่ประสบอยู่ในปัญหาอุทกภัยอย่างนี้นะเราต้องมีทรัพย์เพื่อที่จะใช้ใจ่ายในการที่เลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวให้อิ่มหนำนะปกป้องสิ่งอื่นๆไม่ให้มาทําร้ายได้ต้องใช้ใจ่ายทรัพย์ในตรงนี้ก่อนนะที่เหลือแล้วถึงจะไปช่วยคนอื่นนะส่วนคนที่ไม่ได้มีผลกระทบคุณมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะให้ ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวไม่ให้มีปัญหาแล้วถ้าเหลือแบ่งใจ่ายให้คนอื่นแบ่งใจให้คนอื่นแล้วยังเหลือนะก็เอามาบำรุงเลี้ยงสมณะได้นะแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างนี้เราจะเป็นผู้ที่เป็นมงคลพระเจ้าบอกว่าการทำอย่างนี้เป็นมงคลในชีวิตทาให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แน่นอนเจ้าค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดถือแลวก็ปฏิบัติ ต่อไปในฐานะที่เราเป็นบริ ษ, ษัทนิกชนที่ดีนะเจ้าคะทีนี้เรื่องของการแบ่งใจทรัพย์ตรงนี้อาจหมายคิดว่าเราจะพูดกันต่อในวันพรุ่งนี้ก็ได้ว่าเราจะมีการทํางบประมาณยังไงสําหรับผู้ที่ประสบอุทก ภ, ภยัยหรือว่าผู้ที่ยังไม่โดนนะวัดวิชามีพูดถึงเรื่องการแบ่งใจทรัพย์ตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านด้วยเหมือนกันนะ เจ้าค่ะก็เป็นอันยกไปพูดคุยกันในช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นช้าวันเสาร์ที่30ตุลาคมนะเจ้าค่ะเกี่ยว <Ge ek S 1> กับเรื่องของการแบ่งใจทราบตามที่ อ, องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคย เมตตาที่จะสั่งสอนไว้นะเจ้าคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คิดว่าถึงเวลาที่เดฉันจะต้องนำท่านผู้ฝังทางบ้านทุกท่านนะคะกราบน้ำพสการลาและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนค่ะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรสำคัญของวัดป่าดอนหายโศกนะคะนั่นก็คือหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าเป็นการริกเลนหรือว่าปฏิบัติธรรมตา ม, ตาม พุทธโอษนะคะซึ่งก็คิดว่ามีการปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกเดือนเลยสำหรับท่านที่เคยได้ไปร่วมปฏิบัติธรรมนวัดป่าดอนไฮโสก็คงจะได้รับบุญกุศล น, นะคะท่านผู้ใด ย, ยังไม่เคยไปก็เรนเชิญชวนให้ไปได้นะคะสนใจก็ดูรายละเอียดของการอบรมต่างๆที่เว็บไซต์ของ ทางวัดเองนะคะคือเพียวธร ama.com นะคะหรือว่าลลลงข้อ .com ค่ะซึ่งก็คิดว่าน่าจะได้รายละเอียดกันนะคะสําสหรับในเช้าวันนี้เรามากราบขอบพระคุณและกราบนำมสกาลาพระอาจารย์พบูลอภิปุโนโกันค่ะพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ตีห้เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในรายการธรรมารับบรุนค่ะกราบนำมสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเทียนพานสาธุเจ้าค่ะ